กรมมุนาวัตติโรโกสักจังสโสตโภติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบ ร, ร ม, มครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ขอกับค า, าวะ หลุงปูก่กรมทาวาโลผู้เป็นประธานสงฆ์ขอกราบพระเทรานุเทระพระมัชิมะพระนาวกะด้วยความเคารพยิ่งของความเจริญในศีลในธรรมจงมีแก่แม่ชีอุบาศกอุบาศิกาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้ขอท่านทั้งหลายาวางมือลงเนาะฟังตามสบายาฟังตามสบาย พอเริ่มมาพูดก็เริ่มขำกันแล้วครับเ <c oughs> นาะอาจจะเป็นธรรมะฮ่าๆไม่แน่นะวันนี้ผมขึ้นต้นไว้ว่ า, ากรรมมุนาวัตติโลโกเนาะก็พวกเราจะรู้กันว่าเรื่องกรรมเรื่องกรรมพระอาจารย์สุรินเนาะท่านให้บอกไว้วันสองวันแล้วแลวหละท่านบอกว่าอานิมน์ขึ้นเทศนะหลวงพี่หนุ่มบอกอย่างีา้ไม่ได้ตั้งเป้ามหมายว่าจะเทียดีหรือไม่ดีนะครับอา่า พระอาจารย์สุรินสอนบอกว่าให้เทศก็คือเทศเพื่อสอนตัวเองนะครับ้เทศ ท, ท่านบอกว่าเทศเพื่อสอนตัวเองนะครับให้คนอื่นฟังด้วยสอนตัวเองไปด้วยอย่างนี้นะครับเนาะก็ผมก็ถือว่าเด็กใหม่นะครับเด็กใหม่เด็กใหม่หมแต่สําหรับอาการมาบวชเป็นพระนี่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าใหม่เท่าไหร่ก็หกพรรษานะครับวัดป่าสุกโตนี่ก็คือหกพรรษา แต่สําหรับใหม่ในวัดป่าสุโกโตก็คือเพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนเนาะแต่จะให้ผมพูดเรื่องอกรรมฐ า, านกรรมฐ า, านอย่างนี้ก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างนี้ก็ก็ขอยกไว้ก็แล้วกันนะครับขอยกไว้ไม่พูดเนาะเพราะผมยังใหม่ก็ขอให้พระวิปัสสนาจารย์หรือพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้พูดดีกว่าสำหรับผมก็แนวทางวัดบ้านมาก่อนเนาะก็เทศแบบวัดบ้านก็แล้วกันฮ่าฮ่าไปก่อนแล้วกันเนาะ เพราะว่าอาจจะเป็นรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันมันเครียดเกินไปเนาะอ่ารู้เครียดเกินไปก็ามาฟังแบบหาฮาวัดบ้านลองดูว่าเป็นยังไงวันนี้ผมขึ้นต้นด้วยกรรมนะครับกรรมโมนาวัตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ส, สัตว์สัตวะสัตวะนี่แปลว่านะเป็นบาลีสัตวะหรือสัตวเนี่ยสัตวะเขาบอกว่าเป็นผู้คล่องผู้คล่องนะ เอาผู้คล้องในโลกอ่าเรานี่ก็สัตว์เหมือนกันสิสัตว์เดือดฉนนี่ก็สัตว์เหมือนกันเนาะแต่เรานี่เขาบอกว่าสัตว์ประเสริฐบอกอย่างนี้แล้วมันจะประเสริฐจริงไหมเนาะมันจะประเสริฐจริงไหมตรงนี้แหละสําคัญมันจะประเสริฐจริงไหมเพราะว่าเพราะว่าที่บอกตัวเองประเสริฐประเสริฐแล้วก็ฆ่ากันอย่างนั้นอ่ะมันจะประเสริฐไหมฆ่ากันตีกันฟันกันแทงกันอย่างนี้เน่ะแล้วมันจะเป็นสัตว์ประเสริฐไหมเนาะ บางทีพวกมาอย่างนี้น่ะเขาก็แค่ใช้ฟันากัดกันนะเขาไม่ได้ใช้ระเบิดนะครับเนาะแล้วก็บอกนะบอกว่าตัวเองเป็นสัตว์ประเสริฐส์ประเสริฐมันสเปิร์ตเสิร์ตแท้ไหนเนาะมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะตรงนี้หน้าชิดเหมือนกันหน่าชิดเหมือนกันแล้วก็จะพูดเรื่องอ่ากรรมเนาะกรรมก็อคือการกระทํานั่นแหละกรรมกระทากรรมนี่เป็นกลางๆนะครับกรรมเป็นกลางๆ ถ้าทำกรรมดีอ่าก็เป็นกรรมดีก็คือทำดีถ้าเป็นกรรมชั่วก็ทำชั่วนะครับเอาอก ร, รเป็นกรรกลางก็อ่าจะเนืกถึงไปถึงอ่าเนึกไปถึงอ่ากรรมของอ่าพระโมคคัลลนะอ่าพระโมคคัลลานะเคยมีครั้งหนึ่งผมเอาขึ้นขึ้นเทศนะพันอ่าปีปศ2154ขึ้นเทศ เป็นใบลานนะครับขึ้นเทศผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเป็นกรรมของพระโมคคัลลนะก็คือบุปกรรมบุปกรรมของพระโมคคัลลนะอคระสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าอัคระสาวกเบื้องขวาเนี่สารีบุตรแต่วันนี้เรามาพูดถึงบุปกรรมของพระโมคคัลลนะอัคระสาวกเบื้องซ้ายท่านเป็นมาอย่างไงกว่ากว่าท่านจะได้มาอ่ามาเป็นพระโมคคัลลานะอย่างนี้นะครับท่านตกนรกมานะตกนรกมานับไม่ถ้วนนะ ตกนรกอเวกีด้วยนะเพราะท่านทํากรรมหนักกรรมหนักมากก็คือทุบตีทุบตีอ่าพ่อแมอ่ท่านมาชาตินี้ท่านก็เลยได้ได้เป็นอัครส า, าวกแล้วก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมันเป็นเป็นมาอย่างไงเขาบอกว่ามีมีการโจกันนะครับมีการโจกันเขาว่าเอ้ยพระโมคคัลลานะนีะ่ดับคันเข้าสู่ปริญญนิพพานแล้วแต่โดนทุบตี โดนทุบตีจนแหลกละเอียดนะครับโดนทุบตีจนแหลกละเอียดเท่ากับเม็ดข้าวสารหักนะครับถึงขนาดนั้นก็คือแค่บุพกรรมนิเศตกรรมนะครับเศรษฐกรรมเท่านั้นอ่าเป็นเศษกรรมของท่านเพราะว่าอาพี่สูรเนี่ยโจรกันมากเลยว่าเอ้ยอ่าพระอันตสาวกของพระพุทธเจ้าแท้ๆนี่เหาะได้ไปไหนมาไหนได้หมดเนี่ยทําทไมต้องถูกอถูกทุบตีด้วยอ่าทําไมต้องถูกถูกทุบตีอก็โจรกัน พระพุทธเจ้าก็เลยอ่าเล่าให้ฟังนะครับอ่าเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่ามันเป็นมาอย่างไงอ่าพอสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนอ่าพระโมคคัลนะเป็นเป็นบุตรชายนะครับเป็นบุตรชายเป็นคนธรรมดานะครับเป็นคนธรรมดาอยู่กับพ่อแม่อ่าอยู่กับพ่อแม่พอไปไปมามามาไปไปพ่อแม่ก็อยากได้ลูกนะครับอยากได้ลูกสืบตระกูลอ่าอยากได้ลูกสืบตระกูลอ่าพระโมคคัลนะทึ่งเป็นอ่าบุตรชายเนี่ย ท่านไม่ปาถนาเลยนะครับท่านไม่ปาถนาเลยสําหรับการที่จะไปเอามีครอบมีครัวมีลูกมีพวอย่างนี้นะครับท่านไม่ปาถนาเลยแต่พ่อแม่เขาบังคับนะครับพูดตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเจ้าอาผู้หญิงคนนี้มาให้ผู้หญิงคนนี้มาให้อย่างนี้นะครับก็ย้ำ อ, อยู่นั่นนะครับรย้ำไปย้ำไปย้ำมาอยู่นั่นแล้วก็แล้วก็สุดท้ายสุดท้ายก็เลยอย่ายอมรับนะครับรยอมรับก็เลย ตกลงเอาเอาลูกเออเอาเมียเอาเมีย พ, พ, พ่อแม่ก็เลยหาให้พ yes. ่อแม่หาให้ก็ก็พ่อแม่ก็เลยหาให้เนาะพ่อแม่ก็เลยหาให้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มาอยู่กับสองตายายเนาะมีมีเมียแล้วมาอยู่กับสองตายายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างดีนะครับเลี้ยงอย่างดีเลยเลี้ยงอย่างดีไปไปมามานะครับเมียไม่ดีครับตอนนี้เนี่ย เมียไม่ดีเมีเมียเวลาเวลาบุตรชายเนี่ยออกไปหาเอาไปหาอะไรหาอยู่หากินนี่ยครับแล้วก็เมียอยู่ที่บ้านเนี่ยเมียก็ทําแก้งนะครับท <Yes. S 1> ําแก้งให้ตรงนั้นตรงนี้เลอะเทอะไปหมดนะครับอ่ากลับมาก็บอกสามีบอกว่านี่แม่ของเธอนี่ทําเลอะเทอะไปหมดนี่พ่อของเธอนี่ทําเลอะเทอะไปหมดหนูนี่ทําให้หมดแล้วนะหนูทําให้หมดแล้วเลี้ยงดูอย่างดีทำให้หมดแล้วแต่ แต่แม่ของเธอเนี่ทำเลเธอะแต่แรกๆนะครับแรกๆบุตรชายนี่ก็คือมีความกตัญญูกตัญญาทีไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อไม่เชื่อฝ่ายเมียแต่ไปไปมาวันแล้ววันเล่านะครับยุโยงไปเรื่อยๆนะครับยุยงไปเรื่อยวันแล้ววันเล่าก็เลยเชื่อนะครับอตอนนี้ก็เลยเชื่อเชื่อก็เลยออกอุบายออกอุบายตอนนี้เมียไม่ดีแล้ว ก็เลยออกอุบายกับผัวนะครับบอกไอ้ให้แม่เนี่ยไปเยี่ยมญาติอ่าไปเยี่ยมญาติอ่าไปเยี่ยมญาติทางไกลอ่าแล้วก็ให้แม่ขึ้นเควียนนะครับเปวียนขึ้นไปสมัยก่อนมีเกียนเนาะขึ้นไปแล้วก็บอกว่าแม่ขึ้นขึ้นเกียนนะเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมอ่าไปเยี่ยมญาติพี่น้องอยู่ที่อีกเมืองนึงอ่าแล้วก็เลยพาไปพาไปปุ๊บพอไปถึงระหว่างทางนะครับ บุตรชายของท่านนะครับบุตรชายของท่านนี่ทําเสียงนะครับอ่าบอกว่าแม่อ่ารออยู่ตรงนี้ก่อนนะพ่อรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยเี๋ยวผมนี่จะไปอ่าทําธุระแป๊บเดียวก็คืออาจจะปวดฉี่ปวดอะไรนะทำธุระแป๊บเดียวแต่ไปไปยังไม่ทันเลยนะครับเปลี่ยนเสียงครับตอนนี้นะลูกชายตัวเองแท้ๆนะครับเปลี่ยนเสียงนะครับ เปลี่ยนเสียงมาเป็นโจร น, นะครับบอกว่าเอาเงินมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับเอาเงินมาเลยมีอะไรเอาไมาห้หมดอะไรแบบนี้นะครับเป็นโจร น, นะครับแปลงตัวเป็นโจรก็คือพ่อแม่ตาบอดไงพ่อแม่ตาบอดพ่อแม่ไม่เห mm. ็นนะพ่อแม่ไม่เห็นแต่ว่าพ่อแม่บอกลูกนะบอกลูกบุตรชายนะบอกบุตรชายบอกว่าลูกเอ้ยขนาดตัวเองจะตายนะครับลูกเอ้ยรีบไปเลยตอนนี้โจรนะกาลังมาฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้ว ให้ลูกกับลิลี่ไปเลยไม่ต้องกลับมาหาพ่อทําแม่อีกเลยอย่างงี้นะครับขนาดตัวเองจะตายแท้ๆนะครับอ่าขนาดตัวเองจะตายแท้ๆนี่ยังบอกลูกลักลูกขนาดนั้นแต่ลูก น, นี่ทุบตีนะครับทุบตีนะครับแต่บางอัตกะท ajaan บอกว่าทุบตีจนตายนะครับแต่บางอัตกะท ajaan บอกว่าทุบตีไม่ตายแต่ทุบตีไปสักพักหนึ่งก็คิดได้คิดได้คิดได้ก็เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วพ่อแม่ของเราอย่างงี้นะครับอคิดได้ ก็เลยบอกโอ้เป็นกรรมหนักแล้วอะไรมาเนี่ยเขาชี้ไปตอนนี้เมียไม่เอาแล้วครับทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยมาอยู่กับพ่อกับแม่นะอ่าอยู่กับพ่อกับแม่โอ้ยแค่นั้นแหะครับอ่าก็เลี้ยงดูพ่อแม่จนตายจนตายเมียก็ไม่เอาอีกเลยบุพกรรมของท่านนี่แค่ทุบตีนะครับแค่ทุบตีนะครับไม่ใช่ถึงขนาดตายมันเป็นอยู่ในอนันตริยกรรมทั้งห้านะครับมีปาณาติบาต ค่าพระอ่าค่าบิดาอ่ามันมีอยู่ห้าข้อนะครับปิตุบาทอ่ะมะมะมะมะามามาตุคาดปีตุคาตอรันตคาตอะไรเนี่ยครับสังกเภทเนี่ยก็ตรงนี้ก็ระวังดีๆนะครับสําหรับพระสงค์เราเนี่อระวังดีๆนะสังกเภทเธอยังสรงให้แตกแยกกันเนี่ยครับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนะครับระวังดีๆมันกันข้อนี้อันตรายแต่แต่ยกไว้แต่จะพูดถึงอ่ามาติมามตาตุคาตปีตุคาตก็คือมันเป็นกรรมหนักนะครับกรรมหนัก หลังจากนั้นของท่านาบุตรชายของท่านนี่ตกในนรกอเวจี G เลยนะครับไม่อยู่แสนกับแสนกันนะครับไม่อยู่นั่นอย่างนั้นนะครับไม่อยู่แสนกับแสนกันแล้วก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างอย่างนี้นะครับกลับไปกลับมากลับมากลับไปอย่างนี้นะก็สุดท้ายก็เลยมาเกิดเป็นพระละหัน์เนี่ยแหละก็เลยมาถูกทุบตีก็เลยมาถูกทุบตีเพราะท่านนี่จะหนีไปไหนก็ได้นะหนีไปไหนก็ได้ มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งนะครับพวกนักบวชนักบวชนอกศาสนาพวกเดลทีพวกเดลพวกเดลธีเนะี่ยบอกว่าต้องกำจัดพระโมฆลันะต้องกำจัดไปเลยเพราะว่าพระโมฆลันะมีฤทธิ์มากสามารถไปไหนมาไหนได้ช่วยพระพุทธเจ้านี่าเผยแผ่ธรรมต้องกำจัดไปเลยอย่างงี้นะครับมันก็มีเหตุเหมือนกันมีเหตุมาเหมือนกันแล้วพวกนักบวชนอกอนกศาสนาพวกเดลทีเนี่ยจ้าง สร้างพวกโจรห้าร้อยนะครับห้าร้อยคนนะครับมาเฝ้ากุฏิอ่าพระโมคคลลานะไว้นะอ่าเฝ้าอยู่ล้อมล้อมอยู่ประมาณสามเดือนนะครับล้อมอยู่ประมาณสามเดือนท่านก็ออกไปเมื่อเดิมท่านก็หออออกไปออกไปเมื่อเดิมวันสุดท้ายท่านก็มาเข้าฌานดูนะครับเข้าฌานแล้ลึกถึงอดีตชาติอ๋อท่า น, นเคยท่านเคยทุบตีพ่อแม่ท่านก็เลยไม่ไปไหนแล้วครับตอนนี้เปิดกุญแจออกเลยอ่าเปิดกุญแจออกเลยอ่า ให้เขาให้พวกไอพวกพวกโจรนะมาทุบตีเลยครับทุบตีหนังสือบอกว่าทุบตีจนกระดูกแหลกละเอียดเท่ามิเข้าสารหักนะครับอ่าถึงขนาดนั้นพอพวกโจรหนีไปเสร็จปุ๊บอพอพวกโจรหนีไปเสร็จปุ๊บพระโมฆคาชนั้นก็กลายล่างเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊ บ, บ, บ, บขึ้นมาเป็นพระโมฆราะเหมือนเดิมท่านก็เหาะไปกราบลาพระพุทธเจ้าอีกเมืองหนึ่งครับในเมืองอะไรจำไม่ได้นะกราบลาพระพุทธเจ้า พระุทธเจ้าว่าเอออ่าพระโมคคัลลนะเราจะไม่ได้เห็นอักรส า, าวกอย่างท่านแล้วขอให้ท่านแสดงอริบปฏิหารของท่านท่านก็สร้างเลยครับปุ๊บปุ๊ปเป็นพระโมคคัลลานั้นเต็มไม่หมดเลยครับเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยปุ๊บปท่านแสดงได้ไงเออท่านก็มาขอลาอท่านก็มาขอลาดับขันเข้าสู่ปริญิพันธ์นั่นหละก็คือนั้นนี่ก็คือบุพกรรมนะครับบุปกรรมอย่าว่าอย่าว่านะครับกรรมแม้เพียงเล็กน้อยไม่ส่งผลไม่มีนะครับ ไม่มีเลยนะครับใครทําำทำอันไหนไว้นี่ระวังให้ดีๆนะครับถ้ายังไม่เป็นผู้แน่นอนนะครับถ้ายังไม่เป็นผู้แน่นอนเข้าถึงอ๋สอสงสี่คู่แปดจำพวกนะครับระวังให้ดีๆนะสงสี่คู่แปดจำพวกมีอะไรบ้างเราส่วนประจํานะครับ ส, ส่สวนประ จ, ระจรําโสดาบันสกิทาคามีธนาคารมีพะระอรหันนะครับแล้วก็มาแยกย่อยเป็นอารันตะมักอารานันตผลนะครับสี่คู่แปดจำพวกนะครับสามารถเข้าได้นะครับสามารถเข้าได้ถ้าพวกนี้หลุดรอดไปแล้วสบาย สำหรับผู้ที่กำทำกรรหนักนะกรรมมันตามไม่ทันเนะทำเทำกรรมอะไรไว้เนี่ยมันมันตามไม่ทันแต่นี้ก็ไปไปตามทันตอนตอ น, ตอนช่วงสุดท้ายพอดีของพระโมคคัลลาน ะ, อะของพระโมคคัลลานะมีนี่แหละแล้วก็มี ม, มีอีกกรรมนึงนะครับมีกรรมหนึ่งตอนนั้นน่ะได้ได้ฟังเทศของหลวงพ่อสมภพนะครับท่านว่ามีกรรมกรรมนั้นเนี่ยเป็นเป็นจานนะครับเป็นจาน ระวังให้ดีๆนะครับพวกเราที่จะสึกไปเนี่ยครับเป็นจานเป็นจานพวกนี้ทําทําบุญทําบุญมาดีแล้วพอออกไปนี่ทําบาปบาปจะสมผลเร็วมากนะครับเร็วมากนะพวกที่จะสึกไประวังให้ดีๆนะเพราะว่าบาปเนี่ยมันส่งผลเร็วมากบางครั้งหนึ่งมีอาจารย์คนหนึ่งนะครับอาจารย์คนหนึ่งสึกไปสึกไปแล้วก็ไปทําไปทําอำข้าวโพดนะครับไปทํำข้าวโพดบ้างทําพวกอผลไม้ลากไม้นะครับเต็มไปหมดนะครับ แต่ก็มีลิงนะครับมีลิงมีลิงฟูงใหญ่มากินนะครับมากินผลไม้ของท่านกนิกนกนินกินนะครับอกินมันแล้ววันเล่าแล้วเออเราจะทํำยังไงดีพวกลิงเขามากินเข้ากินเข้ากินเข้าอย่างนี้นะครับเออจะทํำยังไงดีอาจารย์คนนี้นะครับอาจารย์คนนี้ก็เลยทําที่กับดักนะครับกับดักเป็นห้องเป็นเป็นกองคังนะครับเอาเข้ า, ขาโพดเนี่ยเอาไว้ข้างใน แล้วก็ให้เปิดฝา้แล้วก็ให้ลิงเข้าไปตอนลิงเข้าไปเข้าไปพวกมันก็จะเข้าไปกินนะครับเข้าเข้าไปกินตาคนนั้นก็ค่อยยิงครับพอปิดปึ๊บแล้วก็ยิงนะครับลิงไม่รู้่เท่าไหร่ น, นะครับยิงจบตายจบตายนะครับทำมันอย่างสาสมนะครับมันไม่รู้อะไรนะครับพวกสัตว์ในกระฉามมันก็หากินของมันนะครับแต่เขานี่เป็นคนที่เป็นจานด้วยนะครับ ทำกับมันอย่างซาสมนะครเอายิงจบจบธนูย NO ิงนะครับตายตายตายตายตายตายนะครับพอไอตัวสุดท้ายนะครับไอตัวสุดท้ายนี่เขาบอกว่าเอ้ยตัวนี้ไม่ฆ่าแล้วอ่าตัวนี้ไม่ฆ่าแต่ตัดตัดมือนะครับตัดมือของมันนะครับตัดมือมันตัดมือสองข้างนะครับอ่พอตัดเสร็จปุ๊บก็ปล่อยไปเลยบอกว่าไปมึงไปบอกพวกมึงมาอีกเลยไปอย่างนี้นะครับบอกมันนะครับบอกกันไป แต่มันก็ขึ้นต้นไม้ต้นต้นไม้ไม่ได้นะครับขึ้นไปเพื่อมันก็ตกมันก็มีแค่เท้าเนาะมันไม่มีมือนะขึ้นไปแล้วก็ตกขึ้นไปแล้วก็ตกขึ้นไปแล้วก็ตกอย่างงี้นะครับต่อไปมันก็ตายอ่าตายแต่บางเอิ้นนะครับ อ, อ่าอีกประมาณสองสามเดือนนะครับตาจานคนนั้นมีท้องครับอ่ามีท้องอ่ามีท้องแล้วก็โอ้แรงมากรับ มีท้องแล้วก็ได้ยินไหมเนาะได้ยินพอได้ยินอยนูะ่เนาะพอมีท้องพอมีท้องแล้วก็อพอท้องได้เก้าเดือนนะครับ อาจารย์คนนี้กับกาแฟนของเขานะครับคลอดลูกออกมานะครับคลอดลูกออกมานะครับมันปาฏิหาริมากครับคลอดลูกออกมานี่สวยมากเลยนะครับเพราะคนนี้เป็นจารย์ไงคนนี้เป็นจารย์ก็คือเป็นเคยเป็นคนเคยบวชพระมาก่อนแล้วทำคุณงามความดีมากพอลูกออกมานี่สวยเลยนะครับสวยหน้าตาผ่องใสนะครับผ่องใสข้านะครับเหมือนดารานะครับแต่มือของแกเนี่ยสั้นแค่นี้นะครับ สั้นแค่นี้นะครับสวยหมดทุกอย่างนะครับแต่มือมือของมือของลูกสาวแกเนี่ยออกมาใหม่นะครับสั้นแค่นี้นะครับมีมือเหมือนกันแต่สั้นนิดเดียวนะครับอ่าสั้นนิดเดียวนี่ก็คือเป็นบุพกรรมนะครับเป็นบุพกรรมนะครับที่ทำกับลิงตัวนั้นอย่างสาสมเขาบอกว่าเออตาจาร์มาแล้วตาจาร์มาแล้วเนี่ยบุพกรรมบุพกรรมของตาจาร์เพราะแกไปทำกับลิงอย่างสาสมนะครับพอลูกออกมา นี่ที่เราสวดกันเป็นประจํานะครับกรรมอ่ากําเป็นเผ่าพันธุ์นะครับกําเป็นเผ่าพันธุ์ข้อนี้เลยนะครับกําเป็นเผ่าพันธุ์กําเป็นแดนเกิดกําเป็นผู้ติดตามนะครับมันจะติดตามไปจนจนถึงนั่นนะครับจนถึงหมดกรรมของเรานี่กําเป็นแดนเกิดก็คือกําเป็นเผ่าพันธุ์ตรงนี้แหละครับมันจะติดตามมาถึงลูกนะครับบางทีพ่อทํานะครับมาถึงลูกนะครับบางทีลูกทําส่งผลมาถึงพ่อนะครับมันจะไปอย่างนี้นะครับเป็นเผ่าพันธุ์ของกัน นี่มันมันต้องต้องระวังให้ดีๆนะครับไม่ใช่ธรรมดาข้อนี้กับอีกเรื่องหนึ่งอ่าเรื่องนึงก็มีกรรมเหมือนกันกรรมเหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นกรรมของอ่าของอ่าตานะครับกรรมของตาอ่าตาจา์เหมือนกันตาจารย์คนนี้ตาบอดนะครับอาราธนาได้ทุกอย่างอาราธนาได้ทุกอย่างเนี่ยจะมาเทศอาราธนารมอะไรได้ทุกอย่างอาราธนาศีลได้ทุกอย่างแต่แกตาบอดนะครับ แกตาบอกทั้งสองข้างเขาว่าเอ้ยเป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยถามกันไปถามกันไปถามกันมาอาตาอาจารย์คนนี้นะครับทํากับกานะครับทํากับกากาก็ไปกินกินห่อข้าวของท่านไงกาไปกินห่อข้าวของ ต, จ า, นนอตาจารย์คนนี้พออาจารย์คนนี้ปุ๊บท่านก็เอาบ่วงนะครับบ่วงดักมันได้แล้วก็จับมันมานะครับจับมันมาแล้วก็เอาหนานะครับแทงตามันจอบแทงเลยนะครับทำโหดมาก แทงตาปุ๊บแล้วก็แทงอีกตาหนึ่งจุ๊บแล้วก็หีบนะครับทําไม้เป็นหีบนะครับปิ้งมันนะครับแล้วก็โยนขึ้นไปบนฟ้าเอ้าวไปมันจะไปท ation, ี่ aw. ไหนก็ไ ป, ไป อ, อย่างนี้นะครับไปบอกพวกมึงมาอย่างงี้นะครับมันก็บินไม่ได้นะครับหีบมันมันติดแขนแล ED, tw tw ้วไงมันติดปีกแล้วไงบึ้บแล้วก็ตกป๊อกบื้บแล้วก็ตกป๊อกมันก็มองมาเห็นตามันก็บอดด้วยไงอ่าบื้บแล้วก็ตกป๊อกบื้บแล้วก็ตกป๊อกอย่างงี้นะครับสุดท้ายมันก็ตายนะครับ สองเดือนต่อมาแค่นั้นแหะครับอาจารย์คนนี้นะครับมันปวดตาขึ้นนะครับปวดตาปวดตาขึ้นปวดตาปวดตาปวดมากครับปวดมากปวดพอมันแตกครับออกมาครับบอกว่าเออโล่งแล้วสบายแล้วโล่งแล้วอย่างนี้นะครับสักบางนึงเอาอีกงละตาหนึ่งเอาอีกงละปวดขึ้นมาอีกครับปวดขึ้นมาปวดขึ้นมาปวดขึ้นมาแตกป๊อย่างนี้นะครับแตก ก็คือแกเนี่ยทำกับสัตว์อย่างสาสมนะครับแต่แกะสัตว์นี่ไม่รู้อะไรอ่าก็เลยเป็นกรรมของแกตาบอดนะครับกรรมของแกตาบอดเหมือนกันอย่างนี้ครับมันส่งผลนะครับมันส่งผลบางทีส่งผลชาตินี้บางทีส่งผลชาติหน้านะครับแต่ที่มีส่งผลชาตินี้เนี่ยอยู่ที่บ้านผมเลยครับบ้านผมเลยครับชัดเจนมากคนนั้นอ่ะสมัยเป็นหนุ่มนะแกตอนวัวไงแกตอนวัว ถ้าคนกรุงเทพคงจะไม่รู้จักตอนตอนวัวเนานะเขาจะเอ า, เ อ, าอะไรไม่รู้นะทุบไข่นะะทุบไข่ทุบลนะูกอันท่าของมันนะครับแล้วให้มันเป็นหมันนะครับตอนวัวแกก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบตอนวัว น, นะครับตอนวัวตอนวัวตอนวัวไปพอแก่มาแกมาแกมาแกมาแค่นั้นล่ะก่อนจะตายนะครับก่อนจะตายอยู่เดือนหนึ่งนะครับก่อนแกจะตายอยู่เดือนหนึ่งผมก็ไปเยี่ยมอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แกนี่ ไข่ของแกนะครับลูกอันท่าของแกนี่ใหญ่เท่ากับถ้วยนะครับใหญ่เติมเป็นหมนเลยครับท่านร้องโอ้ยโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะครับท่านร้องเลยครับแกแต่แกตอนวัวแค่นั้นนะครับแกตอนวัวแค่นั้นก่อนจะตายเดือนหนึ่งนะครับไข่นี่ใหญ่ใหญ่มากร้องโอดโอยนะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยถามไปทํามานะครับก็เลยบอกว่าสมัยก่อนเมื่อครั้งเป็นหนุ่มแกได้ตอนวัวอ่า แกได้ ต, ตอนตอนบัวของแกอ่าตอนบัวของแก่หรือว่าตอนบัวทั้งหมดในหมู่บ้านอย่างนี้นะครับมันก็เลยเป็นบุปกรรมนี่ส่งผลนะครับบุปกรรมส่งผลอย่าวาดเล่นๆนะครับเหมือนพวกเราเหมือนกันบุปกรรมส่งผลมาคนที่หน้าตาดีก็มีศินคนคนที่หน้าตาดีนี่สมัยก่อนเขารักษาศินมานะครับอ่าแล้วก็คนที่ร่ํารวยในชาตินี้ก็คือเขาเคยให้ทานมา ให้ทานมาให้ทานมานะครับมันก็เป็นเชื้อมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยดูหน้าก็ได้ครับดำๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงครับเพิ่ง อ, ออกจากนรกนะครับเพิ่ง อ, ออกจากนรกมาแน่นอนเพราะมันไมเนี่ยมันไมมมามันก็เลยดำดำมาเลยครับแต่ผมพยายามจะจะขึ้นไปให้ได้ผมพยายามจะขึ้นไปออกจากออกจากตรงนี้ให้ได้อ่าออกจากตรงนี้ ออกจากกรรมตรงนี้ให้ได้ก็พยายามปฏิบัติธรรมไปอ่าปฏิบัติธรรมไปเพราะการปฏิบัติธรรมมันเป็นบุญมากาบุญมากนะครับเปรียบไว้ละอย่างมากเปรียบไว้อ่าละอย่างมากแต่บอกว่าการทานเนี่ยมีผลเป็นร้อยการทานมีผลเป็นร้อยไม่สู้กับการรักษาศีลครั้งหนึ่งนะครับการรักษาศีลครั้งหนึ่งไม่เท่ากับการรักาการรู้สึกตัวจะเลยไม่ตาภาวนา น, นี่แค่ครั้งเดียวนะครับเอาดีๆนะครับ ตรงนี้แหะมันเป็นการตัดกรรมนะครับมันเป็นการตัดกรรมเลยนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือเป็นกรรมแต่เราจะทํากา ร, Platform, รอาจจะเิญเมตตาภาวนานี่รู้สึกตัวรู้สึกต enfin ัวไปเรื่อยๆนี่คือมันตัดกรรมนะครับแต่ตัดกรรมทุกวันนี้ผมไม่ได้พูดถึงกรุงเทพนะครับตัดกรรมทุกวันนี้ก็คือเขาจะเอาคนเนี่ยคนดีๆเนี่นะครับไปนอนในโรงแล้วก็ผ้าขาวครอบไว้แล้วก็ให้พาสวดนะครับสวดอะไรก็ไม่รู้นะครับสวดไปอย่างนั้นนะครับอ่าก็สวดไป แต่เขาบอกว่าตรงนั้นตัดกรรมตรงนี้ไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่ทั้งนั้นเลยครับไม่มีใครตัดกรรมให้ได้นะครับนอกจากเรามาเจริญเมตตาภาวนาเพื่อจะตัดกรรมไปให้เรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวตัดความคิดนี่นะครับตัดความคิดออกไปได้นี่ก็คือเป็นการตัดกรรมไปแล้วนะครับตัดกรรมตัดพพตัดชาติไปแล้วตรงนี้นะครับก็คือหลวงปู่กาเทียนนี่ก็ให้มาทําตรงนี้นะครับเน้นย้ําตรงนี้ไปแล้วก็เชื่อกันไปเถอะหลวงปู่เทียนก็ทํามาอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้นะครับ หลวงปู่คำเขียนทำมาอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้นะครับพระอาจารย์ไพศาลหรือครูวาอาจารย์ต่างๆนะครับพระพิปัสนาจารย์ out, ต่างๆเนี่ยเขาทำอย่างนี้สอนเรามาอย่างนี้เพื่อจะตัดกรรมตรงนี้แหละครับเพื่อจะตัดกรรมตรงนี้แล้วก็มีอีกกรรมนึงนะครับอที่มีกรรมนึงเป็นกรรมอ่ะของวัดเราเนี่แหละครับอ่าเป็นกรรมของวัดเราอ่ากรรมของวัดเราก็คืคอกรรมของแม่ชีคนหนึ่งนะครับขอยกมาพูดก็แล้วกันมันก็เป็นกรรมเหมือนกันอ่าแม่ชีคนนึง วันนึงผมอผมได้มาหายานะครับหายาที่หอไตเนี่ยของเราเนี่แหละาหายาเพื่อจะกินผมก็ปวดขาเนาะผมปวดขาเดินแล้วมันขาแพงแล้วก็ปวดขางก็เลยมาหายากินแต่มาเจอพรเอิญมาเจอแม่ชีคนหนึ่งอยู่บนหอไตเหมือนกันท่านก็มาเดินจงกรมกลับไปกลับมากลับมากลับไปตอนนั้นเหมือนกันท่านก็มานั่งปุ๊บก็มาพูดกับผมลนะครับอ่าก็มาพูดกับผมอ่ท่านบอกว่าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ย เอาอท่านอาเจียนนะครับท่านอาเจียนเป็นเลือดนะครับไม่ชี้วัดเราเนี่ยนะท่านอาเจียนเป็นเลือดออกมาแต่มันมันไม่เจ็บคอมันไม่เก็บอะไรเลยครับแต่อาเจียนเป็นเลือดออกมาทั้งแล้วครั้งเล่านะครับโดยเฉพาะตอนเก็บอารมณ์เจ็บอารมณ์สี่สิบวันเนี่ครับเจ็บอารมณ์เข้มเนะท่านท่านจะอาเจียนออกมาผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแม่ไม่ใช่แม่อ่าเคยฆ่าไก่มาเลยอ่าผมทําอย่างงี้นะ ไม่ใช่แม่เคยฆ่าไก่มาเลยเขาบอกว่าออืสมัยสมัยอยู่กับพ่อน่ะก็เคยฆ่าไก่มาอ้าวนั่นแหละแม่ถูกแล้วดีแล้วพ่อเขาบอกว่ากรรมนะ่ะคือเราทํากรรมฐานอนะ่ะเยอะเยอเยยเพิ ed, ่มขึมมม้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพวกเจ้ากรรมนายเวรนะครับเจ้ากํามนายเวรเขาจะมาเอาเขาเขารู้เขารู้ว่าเราเรามีบุญแล้ว เขาจะมาเอาตรงนั er ้นตัดกรรมไปแล้วก็คือส่งผลกันให้เรียบร้อยแล้วก็คือหมดไปหมดไปแล้วครับเราทำกรรมฐานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มันจะตัดกรรมนะครับตัดกรรมค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับมันจะตัดตัดกรรมตัดกรรมตัดกรรมไปเลยนะครับมันจะอุปมาอุปมาเหมือนการการถูกเลขก็แล้วกันผมนี่ติดนี้ติดนี่คนหนึ่งเป็นแสนนะครับ วันหนบางเอ bedeutet, ิญเกิดผมถูกหวยถูกหวยขึ้นมาถูกเลขขึ้นมาแสนหนึ่งอย่างนี้นะครับคนนั้นน่ะเจ้าหนี้ของผมน่ะก็ต้องมาเอากับผมวันนั้นเลยนะครับต้องมาเอาวันนั้นจริงๆเพราะเขากลัวผมหนีไงอ่าเขากลัวผมหนีเขาก็เลยต้องรีบมาเอานี่ก็เหมือนกันเจ้ากรรมนายเวียนนี่เขาก็มาเอานะครับเขาก็มาเอาเอาไปเอาไปเอาไปเหมือนกันบางคนเหมือนกันนะปฏิบัติธรรมนะเข้าคอร์สเข้าขอเจ็บอารมณ์ปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะครับ บางนก็เก็บหัวปวดท้องอย่างนี้นะครับพวกนี้นะครับเขามาเอาทั้งนั้นนะครับเขามาเอาทั้งนั้นนะพอเขาพอเรามีบุญแล้วปุ๊บนี่เขาก็จะมาเอามีบุญปุ๊บเขาก็จะมาเอามีบุญปุ๊บเขาก็จะมาเอาคือมันหมดหมดไปหมดไปหมดไปตอนนี้เราก็จะเบาไปแล้วครับเบาไปเบาไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคือเราให้ให้ผลแล้วไงให้ให้ให้เขาไปเรื่อยๆให้เขาไปเรื่อยๆให้เขาไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะ หมดไปเรื่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปอย่างนี้ครับมันจะตัดกรรมเป็นชุดเป็นชุ ด, เ ป, ชดเป็นชุดไปเนาะอันนี้ก็ให้พวกเราได้ตั้งใจนะครับตั้งใจทํากรรมฐานไปเพราะมันจะได้ตัดตัดกรรมไปถ้าคนไหนว่าตัวเองเนี่โอ้ทาบาปมาเยอะอย่างเงี้นะครับฆ่าลูกอ่าเอ้ยเอ้ยฆ่าลูกก็มีนะครับกรรมหนักเหมือนกันนะบางทีไอ้พวกทําแท้งเนี่ยครับนี่ก็ฆ่าลูกนะอ่าฆ่าลูกเรื่องฆ่าลูกนี่ เขาบอกว่านะหลวงพ่อจรัญวัดอำมพรวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับว่าไว้ดีมากไอ้พวกที่ค่าลูกนะระวังไว้ดีๆนะครับลูกคนที่มาเกิดอยู่ในท้องนะครับสมมุติว่าลูกคนนั้นนะ่ะเขามีอายุแปดสิบปีนะครับแปดสิบปีพอทำแท้งปุ๊บเขาก็จะมาเกาะแม่นะครับเขาก็จะมาเกาะแม่จนถึงอายุไขเขาจะหมดนะครับตรงนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่ามันก็มี มันก็มีเหมือนกันที่จะตัดกรรมได้ให้เขาไปเกิดดีๆอุทิศนะครับอุทิศไปให้ก็คือเรามามีบุญอย่างนี้นะครับก็ทําความรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปก็มีบุญขึ้นมามีบุญขึ้นมาแล้วก็จะได้อุทิศให้เขาไปมันก็เป็นหมดกรรมกันไปอย่างนี้นะครับก็ให้พวกเราได้ตั้งใจเอาเนาะก็พูดมาก็ทํางฝนตกบ้างก็สมควรแก่เวลาบ้างเนาะก็สุดท้ายาท้ายสุดนี้ก็ให้พวกเราได้สั่งสมบุญเอา สั่งสมบุญเอาเขาบอกว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออาลีห่างลาขีป อ, อดโ ภ, ภยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้พบสุขใสแม้นชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้เราสวัสดีขอสุดท้านี้ก็ขออมเนยโอยพรในสั้นทั้งหลายมีแต่ความสุขความจเจริญ บุญจงตามรักษาเทวดาจงตามคุ้มครองก็ขอให้ปัสากาพวกใจมารสันดานหยาบคอยกออกจากตุรพิตรพรใจทั้งสี่ก็คืออายุวันนะสุขภพระปฏิพานธนสารสมบัติขอให้ตั้งตนในสัมมาทิฏฐิเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วกลับหางกลับหัวกลับชั่วมาเป็นดีจนสามารถนำตนออกจากทุก ประสบสุขทุกทีภาราตีการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ